อักจอยมาก่อนเพื่อนภานาเป็นไงเราห้ามมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ใ่ใจจะดิ้นดนก็ห้ามไม่ได้ต้งอง เ, เป็นกลางกับมันนะอย่าไปเกลียดมันแล้วก็ อ, อย่าไปอยากให้มันสงบอย่าพปอยากให้มันดีสักดิ์รู้สักไว้เห็นใจทําใจดู จิตตัวเองนะเหมือนดูคนอื่นอ่ะถ้ามีความรู้สึกว่าจิตใจเราเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันง่ายแต่ถ้ารู้สึกเป็นตัวเราเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขแต่บางทีเรื่องเวลาที่มันแบบมันจะทับทับนิดนงอ่ะมันเหมือนมันเข้าไม่ถึงข้างใมันก็อยู่รอบรอบมอยู่นอกนอกแตใจค่อยๆฝึกแต่จนสุดท้ายเราปล่อยข้างในเราไม่ได้รักษานะ แต่ว่าหัดช่วงที่เราหัดฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยแม่แม่ก็รักษาบ้างคุ้มครองรักษาธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะห้ามมันไม่ได้มันยังหวงอยู่แต่ว่ามันมีสองชั้นนะไหมข้างนอกข้างนอกกับข้างในข้างนอกวุ่นวายข้างในดีข้างนอกไม่ดีข้างในดีข้างนอกฟุ้งซ่านข้างในสงบข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่ง เหมือนเป็นฉากหลังของทุกๆปรากฏการณ์ใจเรามีสภาวะอย่างนี้เนี่ยทางครูบาอาจารย์วัดป่าใช่ไหมเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการณ์ต่างๆมันไม่เข้าไปรูปด้วยก็ดีนะฝึกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องปล่อยตัวนี้ีกทีหนึ่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู ก็ดูไปได้แต่ว่าอย่าจงใจถ้าตัวนี้เข้มเกินไปนะเข้มข้นเกินไปคลายออกสักหน่อยก็เป็นบางครั้งถ้าดูถ้ามันสบายสบายดีไร้ใจอันนี้เพียงแต่ว่าตัวที่เป็นผู้ดูเนี่ยมันตั้งป้อมเยวผิดนิดนึงรู้สึกไหมมันมั น, ม, นมันเคลื่อนกีดกันตัวเองออกจากสิ่งอื่นๆมันไม่อยากเข้าไปข้องแวะสิ่งอื่นมันเลยไปดึงตัวเองไว้ไปประครองไปควบคุมตัวเองไว้ มันแข็งไปนะไม่เป็นธรรมดางั้มันจะคล้ายๆก็เห็นปรากฏการเคลื่อนไหวนะแต่ตัวนี้นิ่งเป็นนิ่งเกินไปนะแล้วต้องค่อยๆกลออกค่อยรู้ทันนั้นนะแล้วมันจะได้เคลื่อนไหวเป็นธรรมดาสบายนะเวลาจิตไปรู้ว่าโรมมันจะเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาตินะถ้ า, าตรึงไว้มากไปไม่มีปฏิกิริยานะจะเฉยๆหมดเลยอย่านะงนั้นไม่ดีล่ะ มากไปแต่ให้จิตไหลไคปคลุกกัะลมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ดีก็มากไปอีกข้างหนึ่งนั้นสุดโต่งเนี่ยความสุดโต่งเกิดขึ้นตลอดเวลาของนักปฏิบัติถ้าไม่เผลอไม่หลงนะก็ควบคุมประคองไว้สุดโต่งสองฝั่งคน ท, ทั่วไปเมื่อหลงรูปเดียวนักปฏิบัติก็ชอบประคองรูปเดียวประคองรักษาไปเรื่อยๆสุดโต่งคนละข้าง ให้รู้ไปไม่ต้องแก่นะแต่ว่ารู้ทันว่ามันเปรักษามากใสใครมาคนที่สองล่ะ <c oughs> ไม่มีเอานี่เลย <c oughs> เป็นไง <c oughs> จะเปินานเปอด บ, บ่อยๆให้ไหลไปเรารู้สึกไหลไปเรารู้สึกนะที่จริงการปฏิบัติบางคนก็ทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนตั้งัน ทำสมรธให้จิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งมีกำลังแล้วก็คอยรู้เอาคอยรู้กายคอยรู้ใจแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนให้ทำสมรธิก่อนก็ไม่ได้ทาไม่ได้ใจมันคิดมากทาสมาธิไม่ได้ก็ต้องดูเอาเลยมันจำเป็นดูจิตใจไปเลยคนไหนทาสมาธิเป็นก็ทานะไม่จริงได้พักผ่อนอย่างใจถ้าทำสมาธิแล้วยังเครียดไหม อย่างนี้มันทำไม่ไหวทําไม่ไหวก็ดูเอพ่อต้องทำสมถะแตดูดูจิตได้ด้ได้การดูจิตเนี่ยนะดูไปบางช่วงจิตแปรปิกเป็นสมถนะนสังเกตไหมเวลาเราดูจิตเนี่ยมันมีความว่างๆอยู่ข้างในนะถ้าเราใจเราแนบเข้าออกับความว่างๆก็เป็นสมถนะเราไปจับเอาความรู้สึกนิ่งๆว่างๆไว้ก็เป็นสมถะ เวลาที่เราเดินวิปัสสนานะเราเห็นอนารมณ์เกิดดับเห็นจิตเกิดดับเนะี่ยถึงช่วงหนึ่งนะจิตก็จพลิกเข้ามานิ่งๆอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอมีกําลังมันก็ออกไปเห็นความเกิดดับมันพลิกเข้าพลิกออกนะแต่ถ้าจงใจปฏิบัติมันจะเริ่มงปิดรึงเอาไว้กับความว่างๆอันนี้ติดสมถะงั้นดูจิตก็ติดสมถะได้เหมือนกันนะไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะมีจิตก็พลิกเป็นสมถะเยอะเลยแต่มันนิ่งครับเดี๋ยว อ่านั่นดีแล้วมันนิ่งประเดี๋ยวนึงก็ออกมาทํางานนะเพราะใจเราเป็นคนชอบคิดแต่เราเป็นพวกปัญญามากพวกปัญญามากี่ไม่สงบนานสงบประเดี๋ยวกระดาวเดี๋ยวก็ออกมาทํางานใหมนะ่มันรู้สึกไม่นิ่งนอนใจงานยังไม่เสร็จนะมีนิสัยอย่างนั้นไหมว่าถ้างานยังไม่เสร็จต้องลุยๆยไปก่อนคิดไม่เลิก บานคนจริงจังนะจริงจังเวลาลงมือปฏิบัติเจ้านิสัยจริงจังมาใช้งานยังไม่เสร็จนะไม่นิ่งนอนใจพักไปเดี๋ยวประดา๋าเดี๋ยวออกใหม่อีกละบางทีไม่ยอมพักเลยจิตอนะ่ะถ้ามันไม่ยอมพักเลยมันฟุ้งมากไปถ้าต้องทําสมาธินต้องบังคับกันนิดนึงเข้าใจไม่ฟุง้งก็คอยรู้เอาต้อคุ้ใจมันยังฟุ้งนะรู้สึกไหม ให้รู้ทันที่มันฟุ้งนะมันฟุ้งเยอะไปนิดนึงนค่อยๆรู้ไปไม่ทำสมถะลำบากก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทำใจสบายๆอย่ารีบร้อนปฏิบัติดูไปเล่นๆถ้าเรารีบร้อนเราอยากให้ได้ผลเร็วๆรีบร้อนยิ่งช้าใจของคุณมันดิ้นเยอะมันฟุง้ง จิตใจที่ฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ <c oughs> ก็เสมอกับจิตอย่างอื่นนั่นแหละแต่เราก็ค่อยๆรู้จักผ่อนปลนของเราไปค่อยๆทําไม่รีบร้อนแไม่ขี้เกียจ <c oughs> ขยันเกินไปก็ไม่ดีนะวิริยะเยอะไปฟุง้งซ่านเป็นไงเคยมาไหมเคยมาผ่อนเชียวแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเจ้าค่ะเออดีแล้วดีแล้วไม่เข้าใจต่อไป เรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเข้าใจหรอกให้คอยรู้ทันใจตัวเองก็พอละเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยงงงงรู้ว่ากำลังงงอยู่นี่แหละปฏิบัติเป็นละคนเขาชมเรานะใจเราพองในดีใจรู้ว่าดีใจอยู่ปฏิบัติเป็นละคนเขาด่านะใจเราเดือดขึ้นมาเลยเห็นมันเดือดขึ้นมาเลยนี่ถูกต้องแล้ฝึกแค่นี้เองไม่ได้ฝึกอะไรเยอะหรอก ใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมหัดรู้ทันใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิต ใ, ใจเราเป็นยังไง ร, รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องฝึก อ, อะไรหรอกนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังนะหลายคนมานั่งฟังหลวงพ่อพูดจะงงหลวงพ่อพูดจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคุยกับ ค, ค, คนนี้ไปอีกเรื่องคุยคนนี้ไปเรื่องแล้วฟังแล้วงงไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไง บางคนมาถามตรงๆเลยนะว่าดิฉันจะปฏิบัติยังไงบอกว่าปฏิบัติไม่ได้หรอกคิดจะปฏิบัติมันผิดตั้งแต่คิดคิดปฏิบัติแล้วความโลภมันเกิดแล้วถ้ารู้ทันว่ากำลังอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วมันง่ายขนาดนั้นไนงะง่ายจนยากเรานึกไม่ถึงเนี่ยสงสัยอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกสงสัยบ้างไหมเหตนั้นนะ่ะรู้ว่าสงสัย รู้ที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเนะี่ยตอนนี้ความสงสัยมันหายไปแล้วรู้สึกไหมมันเป็นทื่อๆ อ, อยู่เฉยๆนะนะหัดรู้สึกไปนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้เรื่องนะพูดรวมๆพวกเราเลยมาเยอะฟังหลวงพ่อพูดธรรมะนี่ไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟัง หลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราท่านเองเป็นเพื่อนให้พวกเรานั่งสังเกตใจิตใจตัวเองไปอย่างฟังหลวงพ่อพูดบางทีก็งงงงเออใจมันงงแล้วรู้ว่างงนี่ใช้ได้บางทีก็ใจลอยไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยไปอันนี้ก็ใช้ได้บางทีก็นั่งอย่างเคร่งเครียดนั่งบังคับนั่งควบคุมตัวเองรู้ว่าควบคุมตัวเองอยู่ก็ใช้ได้ละ พรจริงๆเ ร, ราทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลักจริงๆก็คือให้คอยรู้กายรู้ใจตามปรัมเป็นจริงไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซง น, นี่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบเข้าไปแทรกแซงเช่นพยายามบังคับกายบังคับใจนี่เคยหายใจสบายๆเขาเริ่มหายใจไม่เหมือนปกติมีจุดกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้อะไรอันนั้นเป็นหลักของสมถะนะถ้าหลักของวิปัสสนาแล้วหายใจเขาหายใจปกตินี่แหลนะ หายใจแล้วก็เห็นในร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสิ่งนี้เรียกว่าฝึกปฏิบัติทำวิปัสสนาเห็นในกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราไอตัวที่กําลังห า, หายใจเข้าหายใจออกนะตัวที่กําลังท้องพองท้องยุบตัวที่กําลังยกเท้าย่างเท้าตัวที่กําลังเหลียวซ้ายแลกขวาตัวนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ จิตใจมาอาศัยอยู่ในเปลือกอันนี้นะเปลือกอันนี้เคลื่อนไหวไ ม, ไม่ยากอะไรนะไม่ยากหรหรือการดูจิตดูใจง่ายหนักเข้าอีกนะคนเขาชมดีใจรู้ว่าดีใจคนเขาด่าโมโหรู้ว่าโมโหฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องงงงงรู้ว่ากําลังงงอยู่ก็คือการรู้ทันสภาวะที่กําลังเกิดในใจเรา น, นั่นเองในความเป็นจริงแล้วทุกคนรู้จักสภาวะทางจิตใจทุกคนนะ ใครไม่รู้จักโกรธมีบ้างไหมในห้องนี้นขอชมหน่อยใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงน่าเด็กผู้หญิงนั่นอะ่ะกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมใครโกรธไหมไม่เคยโกรธเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เคยอยากกินขนมไหม <c oughs> ไม่อยากพูดคนนี้ไม่กล้าเดี๋ยวคนไหนกล้า <c oughs> จริงๆนะลองถามเด็กเล็กๆตัว โกรธเป็นไหมรู้จักไหมรู้จักนะรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กยังรู้เลยแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากัน่ะบางวันไม่ชอบหน้าแม่เลยขัดใจบางวันตามใจมากก็รักมากหน่อยที่จริงแล้วความรู้สึกในใจเราไม่ใช่เรื่องลึกรักอะไรนะทุกคนรู้สึกได้เด็กเล็กๆก็รู้สึกได้แต่เราลาเลยที่จะรู้สึกเท่านั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคอยรู้สึกบ่อย อย่าให้ใจลอยไปใจชอบลอยใจชอบหนีชอบลืมตัวชอบไปคิดเรื่องคนอื่นชอบไปคิดสิ่งอื่นชอบไปอดีตชอบไปอนาคตอะไรเงี้ยมันลืมความรู้สึกที่กําลังตรากฏในจิตใจของตัวเองจะดูจิตใจก็ได้หรือจะดูร่างกายก็ได้นะอย่าลืมร่างกายของตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกไว้แต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะรู้กายกับเพ่งกายไม่เหมือนกันนะรู้จิตกับเพ่งจิตก็ไม่เหมือนกันงองอีกแล้วรู้ไหม อยากพูดรู้ไหมเห็นไหมมันมีแรงดันในหะน้าอกเราอยากพูดเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแรงดันนี้นะเรียกว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราเห็นตัวสภาวะและ้วเห็นของจริงในใจเราแล้วเห็นความงงเนี่ยอยากพูดอีกแว บ, บหนึ่งแล้วรู้สึกไหมคำอยากพูดมันดันขึ้นมานี่ยหัดดูอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะการปฏิบัติเป็นยังไงนะอะไรผุดขึ้นตรงนี้นะรู้ไปเรื่อย อะไรมันผุดขึ้นมาก็รู้ผุดขึ้นมาก็รู้นะของจริงผุดขึ้นตรงกลางอกเนี่ยนะทั้งกูศลทั้งอกกูสนกระทั่งมรรคผลนิพพานนะก็ เ, เกิดขึ้นตรงนี้แหละใจลอยไปแล้วรู้ไหมลืมรู้สึกอีกแล้วอึดอาจรู้สึกไหมนะหัดรู้สึกไปเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนอะไรเยอะนะหัดเรียนเรื่องสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้จักสภาวะไป สภาวะทางร่างกายเช่นร่างกายมันยืนมันเดินนั่งนอนมันคู่มันเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกขวานะไปรู้สึกไปหรือหารู้ทากสภาวะทางจิตใจส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่เป็นคนเมืองพวกปัญญาชนพวกคิดมากพวกนี้เหมาะกับกรรมฐานที่จะดูจิตเอาไม่ได้เหมาะที่จะดูกายพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักความสงบเนี่เหมาะที่จะดูกายส่วนใหญ่พวกคนเมืองทำมาหากินด้วยการคิดคิ ด, ค, ดคิดไปเรื่อยๆนะ พวกนี้เหมาะที่จะดูจิตใจตัวเองการดูจิตใจตัวเองไม่ได้ยากอะไรนะความรู้สึกอะไรกลำลังปรักปรอดก็คอยรู้เอานะหลักของการปฏิบัติจริงๆนะอยู่ในเรื่องของอริยสัจสนะอริยสัจสีนะ่เนี่ยบอกทุกให้รู้หลักตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยทุกให้รู้ทุกคือร่างกายกับจิตใจของเรานี่เองให้เราคอยดูกายดูใจขงตัวเองแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง พอายกายใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความดิ้นรนหรือตัณหามันจะหายไปเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาจะดับนะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปวันหนึ่งปัญญามันเกิดกายในี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะพอมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ต้องพามันดิ้นรนทุกวันนี้เราต้องดิ้นรนมากมายนะดิ้นรนเพื่อจะหาความสุขมาให้กายให้ใจนี้ดิ้นรนเพื่อจะพาให้กายให้ใจนี้หนีพ้นจากความทุกข์ ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะความอยากหาความสุขอยากแก้พ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าตัณหามันมีตัณหาขึ้นมาได้ก็เพราะมันมีความสําคัญผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเพการที่เราไม่รู้ทุกข์นี่แหละทําให้เกิดสมุ ท, ทยัยเกิดตัณหานี่นเรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อคอยมารู้กายรู้ใจจนมันหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก พรา้ว่าไม่ใช่ตัวเรานะตัณหามันจะดับโดยอัตโนมัติมันจะหมดการดิ้นรนของใจไม่ดิ้นแล้วที่จะหาความสุขไม่ดิ้นที่จะให้ใจนีความทุกข์แล้วพราะรู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียนเพื่อให้เห็นแค่นี้พอจิตใจไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ต้องพามันดิ้นหานความสุขไม่ต้องพามันดิ้นให้หนีความทุกข์ตัณหาหมดไปจิตที่หมดตัณหาหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเข้าถึงสันติสุข สันติสุขตัวนี้ก็คือนิโรธหรือนิพานนั่นเองเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจจนรู้ความจริงไม่ใช่เราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็จะหมดสันหาไม่ดิ้นพอหมดความดิ้นจิตใจจะถึงสันติสุขที่แท้ จ, จริงการรู้ทุกข์นี่แหละเลยเรียกว่าการเจริญมรรคนี่คือหลักของการปฏิบัตินะนี่เป็นหลักนอกนั้นเป็นเรื่องอุบายแนละหลักจริงๆมีเท่านี้เองการรู้ทุกข์ล่ะรู้ ทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจของเรานี้พระเจ้าอนิยามไม่ให้เรียบร้อยนะทุกคืออุปาทานขันคือร่างกายกับจิตใจของเรานี้เองหน้าที่ของเราคือให้รู้กายรู้ใจอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้กายรู้ใจได้สติเป็นเครื่องมือทําให้รู้กายรู้ใจได้มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหรอก เข้าใจถึงขิดสุดจะปล่อยวางได้งั้นเรามีสติบ่อยๆรู้กายรู้ใจบ่อยๆเรียกว่ารู้ทุกวันหนึง่งจิตใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัญหาจะหมดไปจิตใจเข้าถึงความสงบสุขหรือนิพานนิสติน่ะสติเป็นยังไงทงาไงสติจะเกิดเนี่ยปัญหาใหญ่มากเลยนะเราไม่รู้จักสติในโลกนี้หาคนมีสติแทบไม่มีเลย มีแต่สติอย่างโลกโลกแต่สัมมาสติไม่มีสัมมาสติเป็นความระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติแปลว่าความระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังๆไปแปลสติว่ากําหนดนะกำหนดนี่ไม่ใช่แปลว่าสติกําหนดนี่มันเจือด้วยโลภเจตนาเข้าไปแล้วสติจะเกิดไม่ได้เลยด้วยการกําหนดเพราะจะตราบใดที่ยังกําหนดยังจงใจปฏิบัติอยู่นะ มีโลภะเจตนาแฝงอยู่จิตจะเป็นหนาภูส่นจิตจะมีสติไม่ได้งนการกำหนดไม่ได้ทำให้สติเกิดอย่างบางคนจงใจเดินจงกรมนะกระแทกเท้าแหลงๆกลัวจะขาดสตินะกะแทกใหญ่จะแทกวางว่าสติมันจะเกิดไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะสติเองก็เป็นอนาาัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิด ดันั้นถ้าเราต้องการให้มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆเราต้องทําเหตุของสติให้เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุของสติการที่จิตเราจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุให้เกิดสติพระพทํามสอนชัดๆเลยนะการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทําไมจิตจะจําได้จิตจําได้จิตต้องเคยเห็นสภาวธรรมบ่อยๆ นะการเห็นสภาวะทำบ่อยๆนี่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานนั่นเองรู้กายบ่อยๆรู้กายเนืองเนืองรู้เวทนาเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปถึงวันหนึ่งสติจะเกิดเองพอนะสติเกิดเองเนี่ยนะจิตจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์ตามมาเป็นแถวเลยครูนะเจ้าถึงสอนบอกกลับใดที่ยังมีผู้เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอระหรันต์ งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนจริงๆก็คือทํายังไงสติจะเกิดเท่านั้นถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆพอเรารู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆปัญญามันจะเกิดก็คือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกายนี้เป็นสมบัติของโลกจิตนี้เป็นนามธรรมที่เกนะิดแล้วก็ดับไปเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงความเข้าใจเบื้องต้นได้เป็นทโศบัญฑร เข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกแค่นู้นสามใดที่ยังยึดถืออยู่นะยังทุกข์อยู่ยึดถือเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้จิตส่งออกไปยึดเรื่องจิตก็เป็นทุกข์ทุกทีเลยจิตก็เลยไม่ส่งไปไหนตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั น, นปัญญาระดับนี้ทําให้ได้เป็นพ่ะนนาคามีต่อไปรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกตามมีสติรู้จิตลึกซึ้งไปเรื่อยวันนึงเห็นอีกจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่ใช่ตัวสุขหรอก อนี้เกิดการปล่อยวางจิตขึ้นมานี่เป็นภูมิของพระอรหันต์งั้นการปฏิบัตินะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจบเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาจากการรู้กาย ร, รู้ใจทั้งสิ้นเลยรู้กาย ร, รู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ไปมากๆสติปัญญาปัญญาแก่กล้าขึ้นมาครูเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาไม่ใช่การคิดเอาปัญญาเป็นความเข้าใจของจิต ที่มันเข้าใจเพราะอะไรเพราะมันมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆก็เลยเข้าใจใคล้ายๆอย่างเราทําตัวเป็นผู้สังเกตการนะเราต้องการรู้พฤติกรรมอยา่างอยากรู้ว่าจอยมีนิสัยยังไงเนะี่ยเราคอยแอบดูเรื่อยๆดูบ่อยๆวันหนึ่งเราก็รู้ว่าสาวจอยนิสัยใจคอเป็นยังไงเรารู้จักเพ้าเราต้องดูบ่อยๆดูเนืองๆจิตมันจําได้จิตมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดเองเพอสติเกิดเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา สัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองพอสัมมาสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวแต่อยู่ชั่วคราวนะอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลเป็นใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ก็ตั้งขึ้นมาอีกนะถ้าสติเกิดระลึกรู้กายขึ้นมาจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ใช่ว่าต้องดูนานๆถึงจะเห็นนะถ้าสติตัวจริงเกิดจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเร า, า, เราส่วนจิตใจเนี่ยยังเป็นตัวเราอยู่ต้องดูบ่อยๆ คือนะจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเป็นตัวเราได้งั้นสรุปนะว่าหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนทั้งหมดก็คือสอนให้เราหัดรู้สภาวะนะั่นเองหัดรู้กายหัดรู้ใจเรื่อยๆ เ, นะเช่นจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รูนะ้จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นก็คอยรู้มันสงสัยมันหดผูกมันฟุ้งซ่านจะรู้มันอิดช้าพยาบาทนะมันคิดดีมันคิดร้ายมันเป็นยังไงคอยรู้มันไปเรื่อยๆ นะหัดรู้จักความรู้สึกในใจเราอะหารู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปพอเรารู้สึกชํานาญนะเช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงมานั่งเรียนกับหลวงพ่อนะพอมีเวลาหลวงพ่อจะไล่จี้เรื่องเผลอเรื่องใจลอยอเพเผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะงั้นเผลอนี่เกิดบ่อยที่สุดเลยเป็นตะปูโมหะหลงไปเผลอไปนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตเผลอไปนะเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา งั้นถ้าเมื่อไรจิตจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงนะสติจะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดได้เยอะเลยงั้นเรื่องเผลอเนี่ยเรื่องสำคัญโดวงู่ดูเรื่องทรงจิตออกนอกมันเผลอไปมันก็ออกนอกไปงั้นท่านเน้นตรงนี้ถ้าจิตเราไหลไปปั๊บเรารู้สึกนะมันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว เราจะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตนี้มีแต่ความเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆต่อไปก็จิตนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้จักใจลอยอยังเนี่ยนั่งนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยใจมันหนีไปแล้วเนี่ยหัดรู้จักอย่างเนี้ยนะเนี่ยใจลอยเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมเนี่ยหัดเรียนสภาวะนะเรียนจากหลวงพ่อไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นนะเรียนเรื่องสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้จักสภาวะไป โดยเฉพาะถ้ารู้จักว่าเผลอเป็นยังไงหลงเป็นไงเหม่อเป็นยังไงนะสติจะเกิดได้เยอะเลยวันๆหนึ่งเพราะเราเผลอบ่อยนะเผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเผลอเผลอก็มีหลายอย่างนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นริ้มรถเผลอไปคิดนะเนี่ยเผลอไปคิดนี่มีมากที่สุดครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนจะมาเน้นที่หลงคิดนะหลวงพ่อคําเจียนก็เน้นเรื่องการลักคิดนะจิตมแอบไปคิดนะถ้ารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยจะตื่นขึ้นมา หลวงพ่อเตียนถึงสอนขนาดว่าถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะได้ต้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบีบลงมาบีบลงมานะสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงหลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงคิดถ้าใจเราไหลไปคิดแปบบ๊บเรารู้สึกสติจะเกิดทั้งวันเลยนะัย้นเราเรียนเนี่ยค่อยๆบีบลงมาแล้วมาเรียนตัวสภาวะตั้งแต่สภาวะที่เกิดบ่อยๆต่อไปสภาวะที่เกิดน้อยๆแล้วก็รู้จักนะ หารู้จักสภาวะพอเรารู้จักสภาวะได้มากสติจะเกิดมากสติแปลว่าความระลึกได้สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะจิตใจของเราชอบเลื่อนลอยลอยนี้ไปทางตาลอยนี้ไปทางหูลอยนี้ไปคิดชอบเลื่อนลอยสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจตัวเองแล้วเราจะเลือ่อ้ลอยถ้ามันรู้จักมันจําได้เช่นเผลอเป็นอย่างนี้เนี่ย พอเผลอไปสติจะเกิดเองนะโกรธเป็นอย่างนี้พอนะโกรธไปสติจะเกิดเองพอนะสติเกิดนี่อากูสนจะดับทันทีนะ